แปรเทศหลวงพอ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องสัตว์คือผู้เวียนว่ายในเจ็ดภพภูมิเทศที่วัดกลางทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคำว่าสัตว์เมื่อเราเป็นเด็กหรือปัจจุบนันนี้หากเราถูกผู้อื่นว่าเป็นสัตว์เราก็จะเจ็บใจโกรธคำว่าสัตว์นั้นแปลว่าเจ็ดอยู่ในเจ็ดที่เจ็ดแห่ง ซึ่งมีอยู่สองลักษณะด้วยกัน 1. สัตว์ในความหมายที่1แปลว่าผู้ที่อยู่ในเจ็ดแห่งเจภูมิซึ่งประกอบด้วย 1. น น, นรกบาลีเรียกว่านิริยะ 2. อ, อสุรกาย 3. เปรตบาลีเรียกว่าปิตา 4. ส, สัตว์เดรัจฉาน 5. มนุษย์ 6เทวดาเจ็พรหมความหมายที่หนึ่งของคำว่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องของบัญญัติ 2. สัตว์ในความหมายที่สองเป็นเรื่องของปรมัตร์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีเจดอย่างอยู่ด้วยกันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณสุขและทุกข์เจประการนี้เรียกว่าปรมัตร์ ธาตุดินนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เรามองด้วยตาธรรมดาของเราแต่คำว่าดินตรงนี้หมายถึงสภาวะประมาติที่ใช้ตาเนื้ออองไม่เห็นดินนั้นหมายถึงการสแสดงออกของธาตุดินแท้ๆซึ่งมีลักษณะแข็งนิ่มหนักเบาสี่ประการนี้ เรียกว่าลักษณะสภาวะปรมัตยิยของธาตุดินสภาวะปรมัติอย่างนี้ใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่จะต้องใช้ตาปัญญาสมาธิจึงมองเห็นได้ลักษณะหรือสภาวะของธาตุดินนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากและไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากหรือง่าย แต่ว่าตาปุถุชนธรรมดานั้นทำอย่างไรก็มองไม่เห็นธาตุน้ำธาตุน้ำคือน้ำลายน้ำมูกน้ำต่างๆจนถึงน้ำมหาสมุทรเรียกว่าบัญยัตสิ่งที่เป็นบัญยัตใช้ตาเนื้อก็มองเห็นแล้วแต่ธาตุน้ำในที่นี้หมายถึงสภาวะปรมัติ์ซึ่งมีลักษณะเกาะกลุ่มและทำให้แตกแยก ต, ต่างเหล่านี้ตาเนื้อธรรมดานั้นมองไม่เห็นจะต้องใช้ตาปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นลักษณะหรืออาการของาธาตุน้ํานั้นในสมัยพุทธกาลผู้ที่เป็นสาวกที่สามารถมองเห็นอาการก่อยึดของน้ํามีเพียงพระสารีบุตรเท่านั้นแต่ก็ยังเห็นไม่ละเอียดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรสามารถใช้ตาปัญญาเห็น ที่เกาะยึดแล้วหายเกาะยึดแล้วหายในช่วงระยะเวลาลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเห็นการเกิดดับของธาตุน้ําเพียง51ครั้งแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นการเกิดดับของธาตุน้ําเป็นโกดโกดลักษณะของธาตุน้ํา น, นั้นเรียกว่าเป็นธาตุสุขุมะคือเป็นธาตุที่ละเอียดอ่อน ตาปัญญาของปกติสาวกทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อมองเห็นไม่ได้หรือรู้สึกไม่ได้จึงนำมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ธาตุไฟธาตุไฟนี้ไม่ได้หมายถึงไฟฟ้าไฟแก๊สหรือกองไฟที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อธาตุไฟหมายถึงสภาวะปรมัสติ จะใช้ตาเนื้ออย่างไรก็มองไม่เห็นแต่ใช้ตาสมาธิธินั่นแหละจึงจะเห็นได้ลักษณะของธาตุไฟนั้นมีเย็นกับร้อนอาการลักษณะภาวะความเย็นความร้อนนั้นจะหยิบจับขึ้นมาก็ไม่ได้หรือใช้ตาเนื้อก็มองไม่ได้จะต้องใช้ตาปัญญาจึงจะรู้สึกได้ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นปกติสาวกเช่นเราทั้งหลาย สามารถที่จะนำธาตุไฟมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติได้คือเมื่อมีอาการเย็นหรือร้อนเกิดขึ้นมาใช้สมาธิเห็นและพิจารณาว่าอาการเย็นหรือร้อนนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาธาตุลมธาตุลมนั้นไม่ได้หมายถึงธาตุลมที่เป็นบัญยัติเช่นลมพัดไปมาหรือเห็นไปไม้ที่ เอนอ่อนไปมาแต่ธาตุลมนี้หมายถึงสภาวะที่เป็นปรมาจิจริงๆเช่นมีอาการเจ็บปวดยุบยุบองๆองตอดตอด่านสันไว้เหน็บอันนี้แหละเป็นลักษณะของธาตุลมธาตุลมที่ปรากฏออกมานี้ปกติสาวกทั้งหลายสามารถใช้ปัญญาสามา ธ, ธิิมาเห็นได้ ธาตุที่กล่าวมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสีประการนี้เรียกว่ารูปและประการต่อมาก็คือวิญญาณวิญญาณ น, นั้นก็ทำหน้าที่ในการรู้ลักษณะที่ปรากฏของรูปต่างๆดังกล่าวมาและมีมโนวิญญาณก็คือใจรู้สึกรู้สึกที่เจ็บปวดพองยุบลมเข้าออก เมื่อธาตุทั้งสทํทำงานขึ้นมาก็จะปรากฏชัดหรือรับรู้ที่มโนวิญญาณธาตุและเมื่อมโนวิญญาณรู้เจ็บรู้ร้อนรู้หนาวรู้ปวดขึ้นมาแล้วจึงเกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างดังนั้นเมื่อทุกสุขมารวมกันเป็นเจประการเจดประการที่รวมตัวกันนั้นเรียกว่าสัตว์ใครก็ตามจะเป็นชายหรือหญิง เทวดาหรือมนุษย์ก็ตามถ้ามารู้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งเจ็ประการดังกล่ามนี้ที่ก่อเป็นสุขบ้างทุกบ้างพอสุขเกิดทุกหายพอทุกเกิดสุขหายเกิดแล้วหายไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาผู้ที่รู้จักความเป็นอนัตตาของเจ็ดสิ่งนี้แหละเรียกว่าเป็นคนพุทธหรือว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธ คือผู้มีสมาธิิเห็นธรรมมีธรรมมีคือดินน้ำไฟลมใจวิญญาณสุขทุกข์เจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วเห็นขึ้นมาปัญญาต่อมาคือสัมมาสังคปะรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งเจประการนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายบังคับไม่ได้เป็นอนัตตา ผู้ที่มีปัญญาสำกำปะเห็นธรรมมีรู้ธรรมจริงสองประการนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธแล้วพวกเรานั้นมีธรรมทั้ง7แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมเจประการดังกล่าวเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายบังคับไม่ได้ถ้าหากเห็นไม่เป็นอนัตตาก็เรียกว่าเป็นอัตตาคือเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิ ก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธมิจฉาสังกปะคือพิจารณาผิดพิจารณารู้เห็นสิ่งที่ผิดพิจารณาทำทั้งเจ็ดผิดเห็นผิดพิจารณาผิดเรียกว่ามิจฉาสังกปะดังนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วและก็มีมิจฉาสังกปะคือรู้พิจารณาผิดเข้าใจผิดในสิ่งทั้งเจ็ดดังกล่าว ว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นเขาเป็นเราซึ่งเรียกว่าไม่ฉาสังกปะก็ไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อเรามีความเป็นสัตว์คือมีดินน้ำลมไฟมีใจวิญญาณทุกข์และสุขเจจประการนี้และเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นคนไม่มีปัญญาชาวพุทธเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นธรรมมี มีสัมมาสังกปะรู้ทำจริงเห็นดินน้ำลมไฟวิญญาณที่เกิดเป็นสุขบ้างทุกบ้างและเมื่อเป็นสุขก็พิจารณาว่าไม่ใช่เราเป็นอนาาัตตาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็พิจรารณาไม่ใช่เราเป็นอนาาัตตาอันนี้เรียกว่ามีความเป็นชาวพุทธแล้วและเมื่อเป็นชาวพุทธมักผล น, ผนิพานแม้ว่าเราไม่หวัง ไม่อยากได้ก็จะได้ขึ้นมาเองในอีกลักษณะหนึ่งบุคคลใดก็ตามถ้ารู้เห็นทำเจ็ดประการที่อยู่ในคันของเรารู้ว่าเป็นอนาาัตตาและก็เห็นสภาวะอนัตตาอยู่อย่างชัดเจนบุคคลผู้นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นกัลยาณชนสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัตว์หรือที่มีท ร, รเจ็ดอย่างดังกล่าวมาแล้ว มีที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในอบบยภูมสี่พบภูมิพบภูมิที่หนึ่งนรกนรกเป็นคำไทยบาลีเรียกว่านิรยะพม่าเรียกว่านารายคนไทยใหญ่ไม่เรียกตามคนไทยเรียกตามบาลีและพมา่นานรกแปลว่าตายเกิดตายเกิดรวดเร็วมาก ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เลยนรกมีทั้งหมดแปดขุมในนรกทั้งแปดขุมนี้มีการตายเกิดอย่างรวดเร็วมากการตายเกิดเรียกว่าความทุกข์อย่างใหญ่หลวงถ้ามีการตายเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่มีการตายเกิดก็เป็นสุขนรกทำให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดือดร้อนก็เรียกหาพ่อหาแม่อย่างไม่จบไม่สิน้นนรก คำบาลีว่านิริยะแปลว่าหวังความสุขความสงบเย็นไม่ได้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็วิญญาณสุขทุกเจ็ดประการนี้ไปอยู่ในนรกแล้วก็มีความทุกเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นมีน้อยมากมูสัตว์หรือดินน้ำลมไฟ วิญญาณสุขและทุกเจ็ดประการนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในนรกนี้ถ้าหากจะถามว่าธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณทุกสุขเจ็ดประการนี้เขาไปอยู่ในนรกได้อย่างไรก็ตอบว่าผู้ที่นำเอาเจ็ดสิ่งนี้ไปเกิดในนรกนั่นคืออัตตาทิฏฐิมานะโลภะเรียกว่าเป็นตัณหา หรือเรียกว่าเป็นสมุทยัยหรือว่าเป็นเหตุพบภูมิที่สองคืออสุรกายอสุรกายเป็นภูมิที่ดีกว่านรกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะนรกนั้นมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวคำว่าอสุรกายนั้นคือสลับร่างกลางวันยิงชายก็เสวยสุขและมีความสุขพอกลางคืนก็ทุกข์ไปอยู่ในภูมินรก พบภูมิอสุรกายนี้บางประเภทกลางคืนมีความสนุกสนานความสุขสบายอย่างมากพอกลางวันก็ไปสเสวยทุกขเวทนาเป็นทุกขอยู่ในนรกหรือบางประเภทนั้นเวลาข้างขึ้นก็สเสวยสุขมีความสุขเป็นอย่างมากแต่เวลาข้างแรมก็สเสวยทุกเวทนาอยู่ในนรกคือการมีการสลับร่างเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าอสุรกาย ภพภูมิที่สามคือเปรตเปรตคืออดยากไม่มีอันจะกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยและสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ในภพเปรตได้อย่างไรผู้ที่นำไปอยู่นั้นคืออัตตาทิฐิความเห็นว่าเป็นกูมีกูและโลภะก็ามาสนับส น, นุนอยากได้ในสิ่งที่เป็นกูมีกู อีกคู่ที่นำไปอยู่ในภูมิเปรตก็คือตัวมานะคือกูมีกูเป็นและโลภะก็มาสนับสนุนอยากได้ในสิ่งที่กูมีกูเป็นทั้งหลายดังนั้นหนึ่งัตตทิฐิและโลภะสองโลภะและมานะสองคู่นี้จึงนำเอาไปอยู่ในภพเปรตภพภูมิที่สคือสัตเดรชาน สำหรับดินน้ำลมไฟวิญญาณทุกสุขทั้งเจ็ดประการนี้ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าอัตานั่นแหละนาไปเกิดทั้งเจ็ดประการนี้ไปเกิดอยู่ในสี่ภพภูมิเรียกว่าอบายภูมิสี่นั้นเป็นทุกข์คือมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบไม่สิน้นในกายของเรานั้นก็มีธาตุทั้งสี่คือ ดินน้ำลมไฟใจวิญญาณทุกและสุขทั้ง7ประการนี้ก็นับเป็นชายบ้างยิงบ้างสำหรับสิ่งที่นำเอาเจ็ประการมาเกิดนั่นคืออัตตานำมาเกิดเป็นคนไปไปมามาก็มาเกิดเป็นเทวดาเรียกว่าวัตตะสงสารระดับกลาง เมื่ออตานำเอาสิ่งทั้งเจ็ดประการดังกล่าวมาเกิดเป็นคนแล้วต่อไปในอนาคตนั้นก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอัตานั้นจะพาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือว่าไปอบายภูมิทั้งสี่สิ่งทั้งเจ็ประการนั้นเป็นธาตุของตัญหาหรือเป็นธาตุของอัตตาคือเมื่ออัตาโลภะมานะสามประการนั้นสั่งบังคับว่า ให้ทําทานก็ทําทานให้รักษาศีลก็รักษาศีลสั่งให้ไปนอนวัดก็ไปนอนวัดอันนี้แหละเรียกว่าอัตตาบังคับให้ทําคือเป็นธาตุของอัตตานั่นเองการที่อัตตาสั่งให้ทําทานรักษาศีลต่างๆนั้นเมื่อทําตามแล้วเป็นเหตุให้เกิดผลไปเกิดเป็นคนบ้างเทวดาบ้าง เมื่อมาเกิดเป็นคนและเทวดาก็มีความสุขอยู่เมื่อความสุขนั้นหมดไปทุกขเวทนาก็เกิดมาแทนคนเรานั้นเวียนว่าอยู่ในหกภพภูมิซึ่งประกอบด้วยอบายภูมิสี่มี น, นรกเปรตอสุรกายเดรชานคนและเทวดาส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ในอบายภูมิสี่หรือภพภูมิที่ต่ตำ ประการต่อมาโลกแห่งการตายเกิดที่สูงกว่าคนเทวดานี้เรียกว่าพรมโลคซึ่งพรมโลกนี้ก็มีอยู่ใน15ภพภูมิแยกเป็นพรมที่เป็นรูปประพรม11ภพภูมิและอรูปประพรม4ภพภูมิสิ่งทั้ง7ประการดังกล่าวนี้เมื่อไปเกิดเป็นพรมเรียกว่าเป็นธาตุของรูปตันหาและอรูปตันหา เมื่อรูปตัณหาและอรูปตัณหาสั่งสิ่งเจ็ดประการให้ทำอะไรก็ทาตามเมื่อตัณหาหรืออัตตาสั่งให้ทำอาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าสั่งให้ทำในการปฏิบัติสมถะทั้ง40ประการแล้วก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปปภมอรูปภมนั้นรวมแล้วส5บห้าชั้น การไปเกิดนั้นเรียกว่ารูปรวจระอรูปรวจระคำว่าจระนั้นคือเวียนว่าอยู่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสัจจะเป็นปรมัตาร์เป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงและขึ้นลงนั้นสิ่งที่สมมุติบัญญัติทั้งหลายคือคนเทวดาพรหมหรือว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง คือมีการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสภาวะประมาทนั้นเป็นของจริงแท้มีอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าเปลี่ยนแต่ชื่อหรือเปลี่ยนแต่สมมุติบัญญัติเช่นเป็นคนหรือเทวดาเป็นต้นตัวอย่างที่หนึ่งคนแก่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักว่าอะไรคืออนิจจทุกขังอนัตตา ความไม่รู้คือโมหะคือไม่เข้าใจสิ่งทั้งเจ็ดอย่างที่กล่าวมาความไม่รู้ไม่เห็นก็คืออตตาของตัวความไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นโมหะคือไม่รู้ไม่เห็นว่าดินน้ำลมไฟใจวิญญาณสุขทุกข์ทั้งเจ็ดอย่างนี้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่รู้ไม่เข้าใจตัวอย่างที่สอง คนแก่หรือคนหนุ่มสาวก็ตามเวลาป่วยไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้เอากลับไปบ้านญาติจึงนำไปบ้านคนป่วยก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำลมหายใจพองยุบพองยุบอยู่การทำงานของดินน้ำลมไฟก็ไม่ทำงานประสานกันแล้วเมื่อเป็นลักษณะนี้ อตาก็นำเอาสิ่งทั้งเจ็ประการออกไปจากร่างก็ไปเป็นแมวร่างกายก็เหลือแต่เนื้อหนังที่เน่าไม่มีประโยชน์เมื่ออตาเอาสิ่งทั้งเจ็ดออกจากร่างไปแล้วคนที่นอนก็เน่าเปื่อยเรียกว่าอาหารใครได้กินก็อิ่มก็อ้วนเช่นอีแรงกินก็อิ่มนอนกินก็อ้วนเมื่อเอาไปทิ้งใส่ต้นไม้ต้นหญ้า ก, ก็เป็นปุ๋ย เป็นอาหารของต้นไม้ต้นหญ้าต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตรเรียกว่าอาหารพระพุทธองค์ตรัสว่าการเวียนว่ายตายเกิดคือเมื่อสิ่งทั้งเจ็ประการออกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวแล้วก็ไปเป็นหมาเป็นหมาแล้วก็ไปเป็นเทวดาและไปเป็นพรหมเวียนว่าอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบไม่สิน้นมีบาลีว่าสังสารตาง คือต่อเมื่อใครผู้ใดก็ตามรู้ว่ารูปหมายถึงดินน้ำลมไฟนามหมายถึงใจวิญญาณทุกสุขเจ็ดประการนี้ที่รวมเรียกว่าเป็นสัตว์เวียนว่ายเปลี่ยนกลับไปกลับมาบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาผู้ที่ทำให้เจ็ประการนี้เวียนว่ายก็คืออตตาอัตานี้แปล ว, ว่าเห็นผิด เห็นว่าสิ่งทั้งเจ็ดประการเป็นของเราเป็นของกูการที่อัตตานำเอาสิ่งทั้งเจ็ดประการเวียนไหวซึ่งมีทั้งหมด26ิกภพภูมิสิ่งที่อัตตานำไปเกิดมากที่สุดก็คือภพภูมิที่เป็นทุคติหรือเรียกว่าอบายภูมิสี่ต่อเมื่อผู้ใดมีปัญญาเรียกว่าพุทธปัญญาขึ้นมารู้ว่าอัตตานั้นนำสิ่งทั้งเจ็ดประการ เวียนว่ายอยู่ในยีสิบกภพภูมิไม่รู้จบไม่รู้สิน้นการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าอัตานั้นเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายทำให้เวียนว่ายในภพภูมิโน้นภพภูมินี้อยู่ตลอดเวลาไม่วางไม่เว้นอันนี้และเรียกว่าความทุกข์รู้อย่างนี้แล้วให้วางอัตตาเสียได้ และมีบาลีว่าสังสารตางคือเมื่อวางอัตตาได้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายในวัฏสงสารก็สิ้นสุดลงท่าทางไปอบายภูมิ4ี่นั้นยังไม่ขาดเมื่อไม่ขาดก็ต้องไปอยู่เสมอเช่นการเป็นคนหนึ่งชาติก็จะไปเกิดในอบายภูมิ100รชาติต่อเมื่ออัตตาพาเรามาเกิดเป็นคนสิบชาติ แล้วจะนำไปเกิดเป็นเทวาดาอย่างมากเพียงชาติเดียวแต่หลังจากนั้นก็จะนำไปเกิดในอบายภูมิ4ถึงพชาติเมื่ออตานำเอาสิ่งสาคัญในขันเราไปเกิดเป็นปรหมหนึ่งชาติก็จะไปเกิดเป็นเทวาดาสิบชาติมาเกิดเป็นคนร้อยชาติและไปเกิดในอบายภูมินั้นเป็นหมื่นชาติอตาจะนำไปเกิดในภพภูมิต่าหรือ อายุพมิ4นั้นมากกว่าพบภูมอื่นๆอัตตาจะนำไปเกิดเป็นเทวดานั้นยากเพราะการเกิดเป็นเทวดานั้นเป็นการเกิดที่สูงกว่าการขึ้นบนที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่อัตตานำไปเกิดในภูมิที่ต่ากว่านั้นง่ายเช่นไปเกิดเป็นแมวง่ายและใกล้ชิดกับคนมาก การไปเกิดเป็นเทวดาเปรียบเหมือนขนหินที่หนักขึ้นภูเขาก้อนหินหนักประมาณ40กิโลก ร, รมัมอยู่บนยอดเขาเวลาปล่อยตกหรือทิ้งลงข้างล่างจะง่ายกว่าซึ่งเปรียบเหมือนการไปเกิดในอวัยภูมิีคนนั้นก็อยู่กับสัตว์ซึ่งหมายถึงเจ็ประการนี้ตลอดเวลานั่นเองถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับเทวดาก็จะเหมือนกับคนเราที่อยู่ในเมืองมนุษย์ อยู่กับดินน้ำลมไฟวิญญาณสุขและทุกข์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งห่างจากโลกมนุษย์6 7 0 0 0 0กิโลเมตรเทวดานั้นก็มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมนุษย์เหมือนกันคือมีส่วนอุทยานดอกไม้ส่วนเทวดานั้นมีความงามกว่าคนผู้ที่มีความงามกว่าเทวดาก็คือพรหมงามกว่าพรหมก็คือพระพุทธเจ้า ทำไมเทวดาจึงงามกว่าคนเพราะกินแต่ผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นทิพย์ไม่มีข้าวเปลือกข้าวสารกับข้าวเหมือนคนอาหารที่คนกินก็จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สวยสดงดงามตั้งแต่เกิดจนตายเทยวดาที่เป็นหญิงหรือเทพธิดาจะมีอายุ16ปีส่วนเทพุตรจะมีอายุ18ปี ร่างกายของเทวดามีกลิ่นหอมไม่มีเหงือ่อไม่มีใครเพราะกินอาหารที่เป็นทิพย์ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนโลกมนุษย์เทวดาไม่ต้องใช้เครื่องหอมต่างๆอายุของเทวดาในชั้นเดวดึงนั้นมีหนึ่งพันปีซึ่งเทียบเท่าสาสิบหล้านปีในมนุษย์ในเมืองเทวดานั้นมีเทวดาองค์หนึ่งคือสุมานณะ สุมนณะนั้นมีเทพธิดาเป็นบริวาร500คนได้ไปเที่ยวอุทยานดอกไม้และเทพธิดาเหล่านั้นก็มีอายุ 1,000 ปีเจวดาอายุเทพธิดาเหล่านั้นก็หมดลงในวันนั้นพร้อมกันทั้ง500คนเมื่อเทพธิดาตายไปอาตานำเอาสิ่งเจประการที่อยู่ในขันของเทพธิดาไปเกิดในนรกบ้าง ไปเกิดในอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานธรรมดาของเทวดานั้นจะมีตาทิพย์จะมองอะไรก็เห็นเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นตายไปเท พ, พบุตนั้นจึงมองลงมาในโลกมนุษย์แต่มองอย่างไรก็มองไม่เห็นใครเลยที่จะมาเกิดเป็นคนและเมื่อมองลงมาอีกเห็นไปเกิดในภูมินรกอสุรกายเปรตและเดรัจฉาน เมื่อเทพบุตรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเทพธิดาก็ตกใจเกิดสลดใจขึ้นมาและเสียใจมากทำอะไรก็ไม่ถูกจึงลงมากราบไหว้พระพุทธองค์เมื่อมากราบไหว้พระพุทธองค์เทพบุตรทูลถามกับพระพุทธองค์ว่าอภิมะถะทุกขะมะจติคือการทำให้ตายได้เกิดไปเกิดในอบายภูมิซึ่งเป็นการตายเกิดที่แย่มาก เพราะมีความทุกข์มากการไปตายเกิดเป็นคนก็ยังดีกว่าไปเกิดในอบัยวุมทั้งสการเป็นเทวดาก็ดีกว่าเป็นคนการเป็นพรหมก็ดีกว่าเป็นเทวดาแต่การไปเกิดในอบัยวุมสี่นั้นเป็นการไปเกิดที่แยก่กว่าการไปเกิดในภพภูมิต่างๆและมีความทุกข์มากกว่าภูมิอื่นๆนั้นจะทําอย่างไรไม่ให้ไปเกิดในอบัยวุมสี่ เทพบุตรสุมนณะก็กลาบทูลถามต่อไปว่าการที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหรือพ้นจากอบยัยภูมิสีนั้นจะต้องทำอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์จึงตอบคำถามว่านายตะระนาตสาคือการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือการเวียนว่ายตายเกิดในอบยัยภูมิสีหรือคนเทวดานี้ ถ้าไม่ใช้ปัญญาสมาธิจิและปัญญาสมาสังกปะเราตาคตเองมองไม่เห็นสิ่งใดเลยที่จะช่วยหมูสัตว์เหล่านี้ได้ปัญญาสมาธิฐิซึ่งเป็นปัญญาธรรมจริงรูกทุกเวทนาและพิจารณาเห็นธรรมมีวิญญาณทุกเห็นเป็นอนัตตาและสมาสังกปะซึ่งเป็นปัญญารู้ธรรมจริงซึ่งรู้อนัตตา ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสองข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่เห็นใครจะพ้นจากทุกไปได้และพระพุทธองค์จึงตรัดเป็นภาษาบาลีไปว่าปัญญาะทุกขะนุสติคือการที่จะพ้นไปจากความทุกข์ดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าปราศจากการปฏิบัติใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ไม่มีหนทางใดเลยที่จะพ้นจากทุกได้ เมื่อสมณะเทพบุตรได้ฟังคําตอบจากพระพุทธองค์แล้วความโศกเศร้าต่างๆเหล่านั้นก็หายไปใจเขาก็พิจารณาเป็นอนณตาบุคคลที่เป็นอนณาตาก็หมายถึงโซดาบันโซดาบันนั้นไม่มีอัตทิฐิและไม่มีวิจิกิจชาความเดือดร้อนเสียใจต่างๆก็ไม่มีถ้าหากจะถามพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่ออะไรก็ตอบว่า เพื่อจะมาโปรดคนเทวดาพรหมทั้งหลายให้หลุดพ้นประจับความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการที่พระองค์ทรงแนะนำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายพ้นประจับวัฏะสงสารซึ่งบาลีว่าอาญานิยะอริโยอาหาทิโคมัคโคสมมมาทิสสัมมาสังกโปคำว่าสมมาทิสสัมมาสังกปะ ถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยเมื่อไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีใครบอกเมื่อไม่มีใครบอกหมูสัตว์ทั้งหลายก็นําเอาสิ่งเจ็ดประการออกจากขันของตนแล้วเวียนว่าตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นกล่าวย้อนถึงอาหารของเทวดามาเปรียบเทียบกับอาหารของคน อาหารของคนนั้นจะต้องมีการเคี้ยวต่างๆเมื่อเรากินอาหารแล้วกลืนลงไปอาหารก็จะแยกออกเป็นห้าส่วนคือ 1. ไปเป็นเลือด 2. ไปเป็นเนื้อสเป็นอาหารของสัตว์ตัวเล็กๆ 4. ไฟเผาไหม้สลายไป 5. เป็นอุจจาระที่ถ่ายออกมาอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นเมื่อใส่เข้าไปข้างบนแล้วจะลงไปข้างล่าง ขณะใส่ข้างบนคือขณะกินจะเอาอร่อยและก็รวมกันกินเป็นกลุ่มสนุกสนานแต่เมื่อเอาออกไปข้างล่างคือถ่ายจะหลบหลีกและไปคนเดียวไม่ให้ใครเห็นเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่น่าชมลักษณะของน้ำที่เราดื่มนั้นเช่นน้ำนมน้ำหวานเมื่อดื่มก็รู้สึกอร่อยดื่มกันอย่างสนุกสนานดื่มในที่แจ้มมีแสงสว่าง แต่ดื่มไปไม่นานก็ต้อง อ, ออกไหลออกไปข้างล่างเมื่อจะเอาไปทิ้งก็ต้องหลบหลีไม่ให้ใครเห็นและไปทิ้งในที่มิจชิดเพราะมันไม่น่าชมคนผู้ใดก็ตามรู้แล้วว่าเราจะต้องเอาอาหารใส่ข้างบนและไม่เกิน24ชั่วโมงอาหารก็จะไหลออกมาข้างล่างเสมออันนี้เป็นความทุกข์ บางครั้งใส่เข้าไปแล้วไม่ออกก็ต้องไปหายาต่างๆมากินเพื่อให้ถ่ายออกบางทีกินไม่ได้ใส่เข้าไปก็ไม่ได้ก็ต้องไปหายามากินเพื่อจะกินให้ได้เหตุนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ายการที่เรากินแล้วก็ต้องถ่ายไม่กินก็ไม่ได้การกินการถ่ายเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อผู้ที่กินนั่นคืออาณาผู้อยากกินนั่นคือโลภะ อาตากรบโพรพะนั้นเป็นตันหาเมื่อมีตันหาก็เป็นความทุกข์คือกินมากไปก็ทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ผู้ใดก็ตามไม่ใช่เป็นชายหรือเป็นหญิงเมื่อเห็นธรรมจริงแล้วก็มีความเบื่อเมื่อมีความเบื่อผู้นั้นก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินสิ่งที่ได้กล่าวมานี้มีสองอย่างคือ สังสาระหมา ย, ถ, า ย, ายามาถึงการเวียนว่ายตายเกิดและสังขาระเมื่อกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันโยคียผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหากว่าเราอยากพ้นไปจากสิ่งทั้งเจ็ดอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นความทุกข์นั้นเราจะต้องหาเห็นปัญญาเห็นกับปัญญารู้ เมื่อเราเห็นปัญญาสองประการนี้แล้วเราจะพ้นไปจากความทุกขนี้ได้เราเริ่มจะมาปฏิบัติได้หนึ่งวันหรือสองวันเท่านั้นอย่าน้อยใจว่าทำไมเรายังไม่เห็นธรรมให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเห็นธรรมนี้ใช้เวลาสี่อสงไขยและในระยะหปีชาติสุดท้ายนั้น พระองค์ก็ทรงหาเห็นอยู่ตลอดเวลาหาเห็นอะไรหาเห็นธรรมธรรมนั้นคืออะไรก็คืออนนตาในการปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนั้นเราปฏิบัติหรือหาเห็นง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครมาบอกวิธีปฏิบัติเลยปฏิบัติและหาเห็นด้วยตนเองแต่เรานั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา และมีผู้รู้ธรรมมาบอกกล่าวแก่เราการหาเห็นนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจะมีเชื้อพันธ์แห่งมรรคผลซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอายติมฆะกายามะคือการใช้ปัญญาหากับปัญญาเห็นนี้เป็นการเพราะเชื้อพันธ์คือเมื่อมีปัญญาหาและปัญญาเห็นแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมา เมื่อเรามีเชื้อพันธุ์แห่งมรรคผลนิพพานแล้วอายะติงคือหน้าสีหน้านั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือวันหน้านับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ถึงสาสิบวันเดือนหน้านับตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงอีก12สองเดือนปีหน้านับตั้งแต่ปีนี้ถึงเราตายชาติหน้านับตั้งแต่เราตายแล้วไปเกิดอีกชาติหนึ่ง ถ้าเรามีเชื้อพันธุ์มรรคผลนิพานจะต้องได้แน่นอนญาติโยมทั้งหลายเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วเมื่อเรามาพบแล้วจงนำเอาพระพุทธศาสนามาดูให้เห็นสิ่งที่เป็นเจ็ดอย่างที่อยู่ในขันของเราเถิดดินน้ำลมไฟวิญญาณสุขทุกข์